สัพเพสัตตาสุตฐานตุสัพเพสัตตาเวรา h านตุสัพเพสัตตาปยาปชาฐานตุสัพเพสัตตาอนิฆาฐานตุ สัพเพสัตตสุขีอัตตานังปาริหารตุสัพเพสัต a สภาวะทุ a ขาปมุจฉันตุสัพเพสัตตารัตตสัมปติโตมาวิขาดฉันตุ สัพเพสัตตากรรมะสักการกรรมะดายะดากรรมะโยนีกรรมะพันธุกรรมะปฏิส a นายังกรรมังกรรมิสันติการไรยานังวะปะป a กลางวะตาสักดายะดาภวิสันติสัพเพสัตตา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 พอสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันฆ่าพระเจ้าได้บําเพ็ญแล้วนั้นเถินอพอสมควรนะบ้านใครบ้านมันกลับบ้านดึกไม่ดีแเชิญ